ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกทั้งสองพระพุทธภาษิตอุตติทเทนปาปมะชัยยะธรรมังสุจริตังเจเรธรรมาจารีสุขั้งเสติอัสมิงโลเกปรัมหิจะธรรมันจเรสุจริตังนาตังดุจจริตังเจเรธรรมาจารีสุขั้งเซติอสมิงโลเกปรัมหิจะแปลกว่าว่าบรนประชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าว อันตนพึงลุกขึ้นยืนรับบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกนาบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริต <atra par> um> ผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกนาอธิบายความในวักแรกแห่งพระพุทธาพาสิทธินี้ทรงหมายเอาอาหารบิณฑบาตคือทรงสอนให้ทิศสา ว, วกของพระองค์ พอใจในอาหารที่ได้มาโดยบินทบาทไม่ให้ประมาทหรือดูหมิ่นอาหารนั้นพระอธิกขาอาจารย์อธิบายว่าภิกษุที่ละทิ้งการบินทบาทอันเป็นธรรมเนียมของภิกษุเสียแล้วเที่ยวแสวงหาโภชนะอันประณีตอย่างอื่นชื่อว่าประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับเมื่อเที่ยวไปตามลำดับตรอกคือออกบินทบาทตามมีตามได้ชื่อว่าไม่ประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับ แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จกรุงกบิลพัทครั้งแรกก็เสด็จออกบินธบาตทําให้พระเจ้าสุโธทนะเดือดร้อนพระไยว่ะพระพระองค์ทรงทําลายเกียรติแห่งสากยวงแต่พระศาสดาตรัสว่าบัดนี้พระองค์ไม่ได้เป็นศากยะวงแล้วองค์ของพระองค์คือพุทธวงศ์พระพรุทธเจ้าทั้งหลายทรงกระทํากันอย่างนี้ทุกพระองค์เมื่อพิกษุเข้ามาบูตรในธรรมวินัยนี้พอเสร็จพิธีอุปสมบทเท่านั้น พระอุปชายก็ให้อนุสาสีในถ้ำกลางส่งว่าการบรรพชาอาศัยโภชนะคือก้อนข้าวที่ได้มาจากบินทบาทเธอพึงมีอุตสาหะในการบินทบาทนั้นตลอดชีวิตที่ครองเพศพิสุอยู่ในที่อื่นอีกพระอาจารย์ทั้งหลายกล่าววา่าอาหารที่พิสุได้มาโดยบินทบาทนั้นเป็นอาหารบริสุทธิ์ชั้นที่หนึ่งการบินทบาทคือการไปขออาหารจากชาวบ้านมาเลี้ยงชี่ เพื่อให้การประพฤติพรมจารย์เป็นไปโดยเรียบร้อยไม่ต้องกังวลด้วยการหุงหาเองชาวบ้านเข้าใจเรื่องนี้จึงตั้งใจอนุเคราะห์สงเคราะห์ด้วยความเต็มใจนอกจากนี้การบินทบาทยังเป็นทางลดทิฐิมานะลงได้มากได้รู้จักสภาพอันแท้ จ, จริงของตนทุกๆเชา้าเป็นการออกกาลังกายและได้อากาศบริสุทธิ์ในตอนเช้าอีกด้วยส่วนท่านที่มีออกบิทบาทนั้นอาจมีเหตุผลส่วนตัวของท่านและเป็นเหตุผลที่ฟังได้ อย่างไรก็ตามพระเถระผู้ยิ่งใหญ่ที่ออกบินทบาทอยู่ประจําก็มีท่านมากจากอายุยืนพระเถระผู้ใหญ่ส่วนมากทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยนิยมออกบินทบาทบางท่านเพราะยุ่งด้วยธุระอื่นบางท่านกล่าวว่าการบินทบาทก็เพื่อได้อาหารมาขบฉันเมื่อมีผู้นํามาถวายแล้วก็ควรจะพอใจไปต้องแสวงหาอีกอันหนึ่งการไม่ออกบินทบาทของท่านเป็นการอนุเคราะห์พระผู้น้อยผู้ขัดสนไปในตัว เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้อาหารบินทบาทมาถึงครัผู้น้อยมากขึ้นเป็นการสละลาบที่ตนควรจะได้เพื่อกู่ขสนซึ่งควรจะได้มากกว่าข้อว่าควรประพฤติธทำให้สุจริตไม่ควรประพฤติทำให้ทุจริตนั้นอธิบายว่าควรตั้งตนอยู่ในสุจริตธรรมเวน้นทุจริตธรรมไม่ควรประพฤติทำด้วยอาการแห่งผู้หลอกลวงแต่ควรประพฤติทำด้วยความสุจริตใจมีความซื่อตรงไม่คดในข้ององในกระดูกไม่มีอาการสับหลับ อันหนึ่งไม่ควรเป็นผู้มีแผลประพฤติธรรมธรรมเมะนะณวะนีเจเรคือประพฤติธรรมเพียงเพื่อปกปิดบางอย่างอันแฝงอยู่เบื้องหลังแห่งการประพฤติธรรมนั้นถือเอาเพศแห่งผู้ประพฤติธรรมบางหน้าเหมือนคนมีแผลหาผ้าเนื้อดีมาปิดแผลไว้การประพฤติธรรมด้วยมีบางอย่างแฝงอยู่เบื้องหลังนี้ท่านเรียกว่ามีแผลประพฤติธรรมธรรมนั้นไม่สุจริตผู้ประพฤติธรรมย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า อยู่เป็นสุขในโลกนี้ด้วยไม่ต้องเดือดร้อนว่าจะถูกทําโทษในความผิดต่างๆจะยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ต้องสะดุ้งหวาดเสียวต่อภยัยมีราชภัยเป็นต้นเมื่อมันสั่งสมกรรมดีความดีนั้นก็เป็นน้ําหล่อเลี้ยงดวงใจให้ชุ่มชื่นมีกําลังใจในการทําความดีต่อไปธรรมชาติของความดีเป็นอย่างนี้สําหรับโลกหน้านั้นผู้ได้ประพฤติ ธ, ธรรมไว้ไม่ต้องหวาดหวันต่อภัยในโลกหน้าเพราะโลกหน้าเป็นที่รองรับความสุขแห่งผู้ประพฤติ ธ, ธรำ และเป็นเรือนของผู้ประพฤติทุจริตผู้ประพฤติทธรรมย่อมสบายใจในโลกทั้งสองมีความสุขในโลกทั้งสองดังพนานามาชนีเรื่องนี้พระสัส ด, สดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่นิโครทารามเมืองกบิลพัททรงปราบพระราชบิดามีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องพระเจ้าสุดโททนะเมื่อพระสัดสดาเสด็จไปกรุงกบิลพั์ครั้งแรกพระญาติทรงต้อนรับที่นิโครทาราม เพราะได้ทรงสร้างนิโครธารามเตรียมรับเสด็จไปแล้วพระญาติที่มีอาวุโสคืออายุมากรวมทั้งพระราชบิดาด้วยไม่ได้แสดงความเคารพเท่าที่ควรเพราะเห็นว่าพระศาสนามีพระชนมายุน้อยกว่าคราวรูปคราวหลานพระพุทธองค์ต้องทรงนิรมิตพระองค์ให้ปรากฏอยู่ในอากาศทรงจงกรมในอากาศนั้นเพื่อทรมานหรือคลายทิฐิมานะของพระญาติทรงแสดงทำให้พระญาติเลื่อมใสแล้ว ทุกพระองค์ ต, งตั้งต้นแต่พระเจ้าสุโธชนะยอมถวายบังคมฝนโบกครพัทตกลงในสมาคมแห่งประญาตินั้นมหาชนสนทนาการเรื่องฝนนั้นพระศาสดาตรัสว่าฝนโบกครพัทตกในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็เคยตกในสมาคมแห่งพระญาติแล้วเหมือนกันทรงปรารบเหตุนั้นแล้วแสดงเวทชนรนชาดกพระญาติทั้งปวงฟังพระธรรมเทศนาแล้วหลีกไป แม้เพียงองค์หนึ่งก็มิได้อาราธนาพระศาสดาเพื่อสวยในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าสุดโทธนะเองก็มิได้ทูนอาราธนาพระทรงดำริว่าบุตรของเราไม่มาสู่เรือนของเราจากไปไหนเมื่อเสด็จถึงพระราชนิเวศรับสั่งให้ราชบุตรตกแต่งอาสนะและอาหารไว้ต้อนรับพระศาสดาและภิกษุสงฆ์บริวารด้วยแน่พระทัยว่าพระศาสดาต้องเสด็จมาสวยที่พระราชวังอย่างไม่ต้องสงสัยรุ่งขึ้น พระถจ้าข้าพระเจ้าทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเมื่อเสด็จมายังเมืองของพระญาติเมื่อออกบินธบาตเสด็จไปยังเรือนแห่งพระญาติเปลยทีเดียวหรือเสด็จไปโดยลําดับทรงเห็นว่าพระพสด็เจ้าในอดีตได้เสด็จไปโดยลําดับเปลือยพระศาสดาจึงเสด็จออกบินธบาตอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตพระมาณดาแห่งพระราหุลทอดพระเนตรเห็นขณะที่พระพุทธองค์ทรงรับบินธบาติ จากคนสามันที่เรือนหลังหนึ่งจึงรีบกราบทูลพระเจ้าสุโธทนะพระราชารีบเสด็จลงไปถวายบังคมและทูลว่าลูกทำให้พ่อเสื่อมเสียเกียรติยศเสียแล้วที่ทำอย่างนี้พ่อละอายเหลือเกินลูกควรเที่ยวไปด้วยวอทองไม่ใช่มาเที่ยวเดินขอทานนั่นไม่ใช่วงของพระองค์แต่เป็นวงของอาตมาภาพอาตมาภาพเป็นพุทธวงศ์แล้วไม่ใช่สากยะวงและพระเจ้าทุกพระองค์ทรงทาอย่างนี้ทั้งนั้น